ถ้าไม่มีความอยากเป็นลุคไม่ใช่ความหมายว่าเราปฏิเสธนะแต่ตัวอยารถอยากเนี่ยรถที่ตั้งที่หมายลดลดมาจากการตึงเครียดของของภาวะมันก็คือหยุดไปหยุดตรงนี้ก็คือเรียกว่านิพานย่อมๆในการเว่นความว่าพอเราไม่ทําอะไรมันก็คือเจอภาวะนี้แน่นอนแต่ดยพอเราอยากจะนิพานอยากจะปฏิบัติให้ดีก่าคนนี้อยากจะดีอยากจะ เป็นนูน่นนี่นั่นคือความคิดอยากอ่ะอยากจะดีอยากจะเหมือนตรงนี้ปุ๊บพอคิดอยากจะดีพุ๊มันอยู่มีความหมายจิตเนี่ยมันทยานออกไปแหละมันไม่ได้อยู่อยู่เหมือนว่าเป็นภาวะว่างมันลืมตัวมันเองหมดเลยมันนกสิ่งใดจิตจะเป็นสิ่งนั้น<ม>แล้วทีเนี้ยเราเราหมือนว่าเราสอนเอ้ยไม่ใช่อสอนคือแนะนําไม่แค่เห็นชี้จิตเดิมนะฮะแค่นั้นนะครับจุดประสงค์ว่า ไห้เห็นปุ๊บแล้วเขาลืมลืมการกระทำที่ว่าอยากจะไปนูน้นอยากไป น, นี่เขาอยู่ภาวานี้แหละ<ม>เป็นที่ว่าไม่ใช่ยากอและ ง, ง่ายแต่ว่าเหมือนคนเข้าไปเหมือนเส้นผองบางบุคคลว่า <ผม S 1> อยาก<ม>อยากจะไปกระทำแล้วจิดเขาเขาเหมือนแป๊บหนึ่งเขาก็กลับสภาวายเดิมอ่ะเหมืนฟังจะทำอะไรตลอดใช่ใช่ น, นอกจากปุ๊บย้ำตอบย้ำอาจารย์จะเขียนตามเฟซบอบ่อยคนมาอ่านบ่อย อานอย่างน้อยสิบยีครั้งปุ๊บพออ่านโดยเริ่มเก็ตเริ่มตื่นขึ้น ม, มาปุ๊บภาวะตัวตัวที่เขาเคยคิดทุกวันเขามาเจออันการย์เขียนมันใส่ภาวะรางเข้าไปล้างเข้าไปเข้าในเลยายออกเลยต่อไปเขาก็เลยต่อไปปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพอปฏิบัติจะรู้สึกเติมรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่า มันไม่มันรวมจิตรวมขันแล้วมันเดินมันก่อมันตึงครับมันตึงมันมีภาวะหมดแต่ตั้งใจจะทําอะไรรู้สึกว่ามันหนึ่งไม่ถึงไหนเลยครับทํายไม่มีประโยชน์ครับมันเป็นการที่ว่าเราไปสตารสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราก็ไปลงสิ่งนั้นขึ้นมาแม้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันชื่อประธานหมดเลยแล้วก็ล็อกในแนวว่าใช่แล้วพอไปเจอสิ่งหนึ่งปุ๊บมันก็จะ มันคิดมันจะเรียนรู้สักพักเดี๋ยวก็ต้องบางคนอาจจะโหลดเป็นปีอะ่ะเช่นบางคนบางคนพอจะคิดได้แต่บางคนก็คิดไม่ได้บางคนติดเช่นในช่วงทานก็จะจะให้ให้อย่างเดียวลยแล้วแลเขาไม่ได้สอนเรื่องการปฏิบัติเน้นว่าความรู้ เ, น, เ, เ น, น้นความรู้เน้นทานเน้นปัญญาเ น, น, าาน้นแต่ละอันสุดท้ายมันอยู่แค่ภาวะนั้นนั้นสตาบไลยเลยบอกไว้แล้วไม่ก็ไม่ไม่ก้าวข้ามไปเลยเพราะทุกอย่างคือ คือถ้าถ้ารู้สินใดแล้วเราไม่ยึดมั่นในสิ่งนั้นแม้แต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกบอกหัวใจศของพระพุทธศาสนาคือแม้แต่ธรรมก็ตั้งวาง mm hmm. แต่ทีนี้กลายไ ป, ไ ป, ไ, ปไปติธรรมแล้วก็ไม่วางเนยหมดเลยพระวางปุ๊ผ่านเลยนะแค่นี้เองแล้วก็มีแค่ไว้ใช้งานแล้วก็เพื่อการดำรงอยู่ของของอนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนกันข้อศีลเนี่ยศีลเนี่คือจริงๆเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าศีลเนี่ยคืห้ามใจ แต่ทีนิ้ศีลเนี่ยห้ามกายเพราะว่าใจเรายังคิดได้สมมติเราเราคิดว่าจะไปต่อยตรงเนี้ยมันคิดได้แล้วมันเป็นกรรมมนโนกรรมไปแล้วแต่ทีนี้ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่ศีลเราจะไม่เอาตัวไปต่อยเพราะว่ามันมันมีการยังยนเชื่อใจคือกายเนีจะไม่เปลีป่ย น, นแต่มันยังคิดได้ศีลคือไม่ไม่เกิดการเีรู้สึกว่าเวลาที่คิดแล้วพูดแบบมีเ<ค>จตนาครับ มันจะกลับมาเล่นงาเาเลนวี่ยงใช่เหมือนที่พระพุทธเจ้าในในในพระสูตรหลายพระสูบอกที่พศเออเราหนำลายขึ้นฟ้าฟ้าไม่เบื่อนแต่ตัวเราจะเบื่อแทนเพราะว่าการกระทําทุกกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บมันต้องกลับสูุภูที่มันออกมาจากตัวตัวนี้ใช่กลับมาเล่นงานกลับมาเล่งานทุกอย่างยิ่งธนูที่ที่พระสูตรบอกยิงธนูปุ๊บมันต้องลูกสอบต้องย้อนกลับมาหาใจตัวเองฉะนั้นทุกการกระทํารมแม้แต่ปฏิบัติหรือ หรือทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับมาคิดดีคิดไม่ดีมันเป็นผลนี้ว่าจะเป็นเป็นอกุศลหรือไม่จะ ห, หรือสิ่งใดมันจะต้องเข้ามาหาตัวตนแต่ถ้าเราตัวเราว่างไม่เอาอะไรกับอะไรคือผ่านมันก็ไม่มีผ่านเราพูา้กันเราไปเลยมม ไ, มไม่มีความไม่มีความหมายไปเพราะว่าถ้าตาจะยังดีตัวว่าเราเป็นผู้รู้มีตัวรู้มีสิ่งใดอยู่มันก็ไม่ผ่านเพราะว่า เรายังเอาความหมายความเห็นของเราเนี่ย ม, ม, มาวัดรวมถึงขนทาที่เราต้ ร, รับสารวิธีการนี้เรา<ช>จะกปกป้องสุดท้ายเัาคิดเอาเองเออเองนวลเลย<ม>เป็นมโนโเรียกว่าสังขารปูมแต่งทุกอย่างคือสังขารหมดแค่ออกจากจิตไปมีมโนเนี่ยคือป บ, บสังขารแต่ไอตัวที่เราปวดตะระหรือว่างหรืออะไรเนี่ยมันอยู่อยู่อยู่แล้วอยู่ตลอดเราเพียงแต่ว่าเปลี่ยนไปอยู่สิ่งนั้นเราก็ลืมสิ่งนี้ แค่นั้นเองมันมันไม่ไม่ใช่ยากและง่ายแล้วมันจะมีของอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ต้องบิปเหมือนเราถ้าคิดจะทํามันก็หลงมันเป็นเหมือนรู้สึก็ต้องให้มันไหลไทุกขณะที่มันไม่คิดอะไรเลยอารมณ์เหมือนธรรมะเหมือนเหมือนเดอะแมททิคเคยดูไหมครับพาร์ลกนีโอยิงกระสุนมาปุ๊บยังจับกระสุดอยู่แต่ตอนสุดท้ายผ่านหมดเลยเพราะว่าไม่ม่เอาอลไรคือทะลุตัวผ่านไปคือเ่อความคิดอารมณ์ใช่ครับ ต้องผ่านไม่งั้นก็ยังหยิบก็คือยังมีเราเป็นผู้ผู้คอยสังเกตคอยชําเดิมคอยดูอะไรเงี้ยมันก็ยังแค่แค่เห็นปุ๊บมันจะมีเอฟเฟกจะบางเบาแค่ไหนก็คือยังมีก็ยังมีอยู่ต้องผ่านอย่างเดียวสิ้นคิดเหมือนว่ามันนึคิดของมันเองปุ๊บก็คือผ่านแม้แต่เผลอไปให้ความหมายเมื่อไหร่เสร็จอันนี้คือมันโดนมามันจะชอบแบบไปเหมือนให้ค่าให้ความเดินเดินเตัวของมองตมันเองเพราะว่าการ าการตรงนี้พลังงานทักอย่างเนี่ยวัตถ ส, สังสารวัตรเนี่ยเขาต้องการให้เรามีตัวตนอยู่ในนี้แล้วเราก็เห็นสิ่งนี้ว่าเป็นตัเราตลอดมันก็เลยดังเนินเป็นเป็นกรไกของธรรมาชาติที่ที่อยู่ในสังสวรรั์พอภาคเหมือนภาคโปรแกรมแต่ละคนเขาจัดมาแล้วแต่เนี้ยเมื่อไหร่เราตื่นออกจากภาวะตรงนี้เนี่ย ว, ว่าตื่นออกมันจะเสเจอภาวะความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าตื่นขึ้นเพิ่มเพลงเริ่มต้นนะออกจากภาวะอารม์ พึ่เริ่มต้นพึ่งเริ่มตอ น, ตอนแล้วเดี๋จิตจะเรียนรู้ออกไปอีกมันจะไปออกไปเรืเ่อยๆครับเราจะรู้ด้วยกลไกแล้วทีนี้มันก็หมดหมดความหมายไปเรืเ่อยๆจนจนจากเดิมเรามีความติดในอารมณ์แค่ว่าเหมือนน้าน้ํากิง้งมันมีตัวมันก็ยังติดอยู่นะมันจะเหมือนละได้มปหมดๆเป็นเรื่องๆในทีเดียวแต่ว่าวแต่ทีเดียวปุ๊บแล้มันก็ค่อยๆเสถียรขึ้นจากเดิมเรามีแค่ขนาดว่า ชีวิตมีแค่ขนาดขนาดรู้ขนาะเห็นขณะเนี้ยเราก็ปุ๊บรู้มีความปรุงแต่งไปแล้วแล้วก็เราก็ไปทำตามรู้แค่ขนาดเดียวแค่จริงๆมันไม่เป็นภาพนะเป็นแค่แค่แผลประจุพลังงานแล้วเราปุ๊บก็เป็นเรื่องเปแล้วผัสสะมารู้ที่ใจพอใจเนี้ยปรุงแต่งไปแล้วเป็นเนื้อหาแค่รู้เนื้อหาอะไรต่างๆเนี้ยสังขารหมดเลยหงรู้ที่ใจถึงว่าแค่ขนาดเดมันก็เป็นครบแล้วเป็นครแล้ว แค่นิดเดียวครับนช่ใช่แล้วตอนนี้ยถ้าพบมีวิธ่กาสองแบบถ้าเราเกิดชนะปุ๊บเนี่ยเราไม่จริงจังเรารู้ว่าสมมุติมันไม่มีผลเราเราจะไม่ไม่อินไปด้วยแต่ถ้าเราอินปุ๊บภาวะต่อมาก็จะตามมาถ้าถ้าเราไม่อินเราอยู่ตรงหลักของเราอยู่ใช้ได้อยู่ท่ามกลางว่างแต่ไม่อินมันจะไม่มันจะไม่ไม่ไม่ไป ร้องไห้ไม่ไปเสียใจไม่ไปหัวร้องแล้วก็ไม่ได้ห้ามมันด้วยเพราะว่าไม่มีผู้วางแล้วก็ไม่มีครูมันเป็นการทำจะหาตัวมันไ้ตามธรชาติใช่ใช่ไม่ยุ่อะไรต่อมันมันก็มะไม่กลับไม่กลับไปแต่ถ้ารุ่งมันมันมันมันมีเราซ้อนไปห้ามอย่าง้นจะกลับมาตลอดเพราะว่าเหมือนร้องตัวเองอย่าโกนนะจงเป็นคนดีจงเป็นเน่องามันยังไม่จบกระบวนการไม่จบกระบวนมันร้องตัวเองไปตัดมันก่อนไปตัดมันก่อนแล้วก็ เราเราสร้างการเองหมดเลวตอนเนี้ทุกทุกอย่างเราคิดเองเออเองหมดว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ผิดเราสร้างมันหมดสะกดจิตตัวเองหมดเลยเอชที่สอนมันเลยมาอาสาลเลยคือตัวตัวไอ้ตั ว, ต ว, ตวดโดนที่เป็นตัวเราอัตตาหรือจริงๆก็ไม่มีอัตตานะ ม, มันอนัตตาตลอดเนี้ยเราเข า, มาโมคือความเห็นผิดโมหะ แค่บางเบาปุ๊บไปเผอไปสิ่งนี้เป็นของเราจากเริ่มสิ่งนี้ปุ๊บมันก็เลยขยายไปเรื่อยๆจนเป็นเราเป็นโลกเป็นเขาเป็นนู่นเป็นนี้แล้วก็ความรู้ความหมายมาประมวลกันที่นี้ก็มีความเจ้าของหมดเลยหัวอาจารย์จนกว่ามันจ ะ, สะเสถียมนี่เราต้องทําอะไรไม่ต้องทําหน้าที่ของจิตละให้เราเจอจิตเดิมแท้ก็พอหรือสุญญตาหรือความว่างบ่างจริงๆที่ว่าไม่ใช่เราเป็นคนบอกว่างนะมันจะเงียบของมันเอง มันจะเงียบมันจะว่างมันเองแล้วมันจะคือไม่มีเราเหมือับจะว่าให้ตรงนี้เองแค่นี้เองแล้วปุ๊บภาวะทุกอย่างจะกระจายไม่เสียรเพราะเรามีตัวตนอยู่ไม่คือไม่ใช่มีตัวตนมีเป็นโลโมหะความหลงชั่วขณะว่าปุ๊บเราคิดว่าเราคิดเราคิดว่าเราเดินคิดว่าเรากินคิดว่าขณะที่ว่าเป็นมายาเนี่ยว่าเป็นเราแต่เราเราต้องเปลี่ยนแนวก็คือมันไม่ใช่เพียงแต่ ดูความเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไม่อินเอไปเรื่องจากตรงนี้จากตรงนี้ก็ลองสังเกตดูว่าพอเราไม่อินปุ๊บมันจะความรู้สึกนั้นจะจืดหายไปมันจะห้ามห้ามของมันเองเลยเหมือนเคยชอบฟังเพลงแบบนี้ใ<ช>แล้ววันหนึงมันมันจะนจืดใช่นั่นแหละครับเพราเราจะไม่ฟังเองมันจะค่อยแต่ถ้าเราฟังแล้วถายว่าไม่ชอบ แจงแกงมันไม่ชอบเพลงนี้เหมือนเราไม่เราจะใช้ไม่ใช้มือถือเราตั้งใจว่าจะไม่ใช้มือถือแเราทิ้เราทิ้งไปเลยแต่ว่าสุดท้ายเห็นคนนู้นได้หรือไม่ได้เออซื้อมาใหม่แต่มันหลอกมัหลอกตัวเองมันยังมีความว่าตัวเองบังคับตามสังคมคนนู้นคนนี้คนนั้นมันก็เหมือนแบบคนไม่กินเล่ามันก็ไม่ได้อยากกินก็ไม่ได้อยากกินใช่ไม่ใช่ไปท้าให้มันไม่อยากใช่นยนะครับมันจะเลิกด้วยตัวมันเองแต่ว่าคนตรงเนี้ยมันจะมี มีผลพันุ์เป็นคนของจ ร, รมโดยว่าบางคนทิฏฐิความหิดความหมายเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเขาจะตามตัวเองไปเรื่อยๆเป็นตางกรรมแต่ว่าวันใดวันหนึ่งปุ๊บเขาถึงภาวะที่ว่าคนคนจะหาหาทางทำแล้วเขาก็จะขาโตมาหรือสั่งสวัสดิแกงให้เขาทำมาค่าไม่ขึ้นตกงานแฟนหกให้ให้เห็นทุกข์ให้เห็นทุกข์แล้วเขาจะมีการตัด ตัมือนว่ามีการคิดขึ้นมาว่ามันทุกข์นะทุกข์จนทนไม่ได้ก็จะหาทางทําหาทาง อ, ออกจุดหลุดพ้นสุดท้ายมันจะเป็นก้อนไกธรรมชาติของทุกคนที่ว่ามันเป็นหือแล้วแต่บุญแต่การไม่เกี่ยวเลยใช่ครับมีของไม่ได้ไทุกเข้ามาถึงได้ใช่ใชใช่ครับมันมีของมีเป็นส่วนหลายคนบางคนก็ไม่ได้ทุกข์ก็มีบางคนมีทุกข์ถึงจะเข้ามามัน แค่บางคนอาจจะฟังปุ๊บผ่า น, น, น, นเนี่ยแก็ดขึ้นมาเลย<ม>แต่แต่ส่วนใหญ่ทที่ทา่านเจอ<ะ>เจอเจอทุกแบบหลายแนวจนสุดท้ายตัวเองก็ไม่รู้จะเหมือนว่าจะแนะนำํำยังไงคือคือวันนี้คร่าวๆว่าคาดการณ์ว่าคนนี้เป็นคนจะเป็นยังนี้ว่าแนะนำแต่สุดท้ายพอเขาอ่านทางเฟซหรือคําพูดที่เราพูดไปเขาเอกใจวันใดวันหนึ่งเขาก็จะผ่กลับมาหาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป เหมือนกับถ้าเราส่วนใหญ่เราไปสอนเนี่ยเป็นแค่สัญญาความจํามันต้องเขาต้องมีจิตที่พร้อมที่จะรับอาจารย์จะแค่พูดนิดเดียวคนเดียวละใจใช่ครับถึงว่าระก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นความจําแต่ก็ดีนะเพราะว่าเมื่อถึงภาวะตรงนี้พรของเขาก็จะกลับมาหาเราจะไม่มีการสอนเพราะว่าเหมือนกับแค่ให้ฉี่แค่นั้นเอง ว่าไอ้ตัวจิตเดิมแท้เนี่ยคือเราไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะว่างของมันเองสุดท้ายเขาก็ไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องทำไม่ต้องทําะไรใช่เดี๋ยวว่าบางคนต้องไปทุกข์ซะให้เข็ดก่อนแล้วก็ค่อยค่อยกลับมาเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันง่ายมันง่ายมากก็คือเราหยุดการจะทํามันก็ว่างอยู่แหละก็รู้สึกเหมือนกันแล้วมันเราไปคิด ทฤษฎี ra ที่เขาโครงแต่งก kind of ันเยอะมากมันเป็นม anyway> ันซอนเข้าไปอีกทีเพราะเราต้องเดินทางนี้ใช่เราทำให้เป็นทางเราลงดทางไเยอะเลยแล้วก็สุดท้ายพวกไปสร้างสร้างตัวตนในธรรมตัวตนในโลกต้องเป็นคนอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องมีมากอย่างนี้ต้องเป็นเป็นผู้เมตตาคือเราสุดท้ายเราสร้างกรอบตัวเอาสุดท้ายเรา ลืมไอ้ตนตั้งหลักแล้จริงๆ้วไม่มี ต, ตนตนไอ้คือที่อาาร์บอกว่าไปซ้อนไปย้ํงานตัวนี้ใช่ทุกขนาดการย้ํำว่าเราว่าใช่ไม่ใช่ใช่เนี่ยปุ๊บมันเป็นตัวเหมือนถ้าเราบอกทางนี้ใช่เส ร, เราเสร็จเลยถูกก็ยังไม่ถูกถูกปุ๊บจากวิชาพระกายเป็นอวิชาเพราะมีมีเจ้าของมีเป้าหมายไปยืดแล้วทิศทิศอย่าเต็มพอถึงแม้ถูก ยึดไปเรีย บ, ย ร, ยบร้อย อ, อ, อ่ะพอคนมาเห็นปุ๊บไม่ถูกต้องทะเลาะ ก, กันตายเลยเพราะยังไงก็ตามยึดไปแล้วก็ต้องก็ต้องเป็นตัวนั้นไม่มีชิ้นไหนที่ถูกถ้าถ้าถูกก็คือเหมือนว่าถูกแบบไม่อะไรก็แบบเวลาอาจารย์พูดอันใช่แย่ไม่ใช่เหมื<ช>มนอนเราไปดูสูตรของพระพุทธเจ้ า, จ, าจะไม่การันตีใครเพราะว่าทั้งทั้งดีและไม่ดีก็ไม่ใช่ คือไม่รับและปฏิเสธไม่รับเและลปฏิเสธ ใ, ใช่แล้วมันก็จะไอตัวนั้นจะแป๊บเดียวก็สลายออาเองแต่ถ้าเราให้ค่าแล้วก็อินไปฟังใดฟั ง, ด ง, ง, ดงหนึ่งไปสืบตรงไปช้างใดชั้นหนึ่งแค่นี้นครับชะลอเหมือนกับหยุดดอมหยุดผ่านปุบแค่นี้เองโดยที่ไม่มีเราเองไปสร้างอะไรขึ้นประอยู่ตรงนี้ตรงนี้นน <laughs> แค่นั้นเองหัวนใจของจริงจริงอยู่แค่นี้เอง มแม้แต่ธรรมะที่เรียนมาทุกอย่างก็ต้องวางอดมมแม้แต่แแม้แต่ความรู้ทางโลกโแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องอะไรนะเราเรียนรู้ได้แต่ไว้ใช้งานว่าการอยู่กับสังคมแล้วก็อยู่กับการไม่เบีเยดเบียนใครศีลทุกอย่างมีปุ๊บเราก็รักษาเฉพาะตัวเราไม่ต้องเป็นหน้าที่ตําหนิใครว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดเพราะการที่เราตําหนิเนี่ยก็มีตัวเขาไปสอน มีการไปตัดสินคนนู้นถูกผิดกลายเป็นว่าเจ้าเกิดกรรมจากตัวเองไอ้คนนั้นไม่รู้เรื่องเลยอืทุกครั้งที่การตัดสินเลือกคิดคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีคือไอ้คนนั้นแหละที่จะได้รับผลผลคนแรกเลยแต่คนถ้าเราไม่เห็นเราก็ถูกมันคอันนี้ตลอดเวลานะจะคือมันต้องเห็นว่าเราเห็นแล้วก็ผ่านทุกอย่างผ่าอย่างเดียวผ่านอย่างเดียวไม่ต้องให้ความหมายเพราะบางทีเราจะเห็นไอ้คนเนี้ยไม่นิสัยไม่ดีเลย ป๊ไอเราคิดเองเราเองแล้วเหมือนกับไฟเผาเผ า, าตัวเองเรียบร้อยเรียบร้อยอคนนู้นเดินกินขนมไม่รู้เรื่องอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแล้วกำอยู่ที่ไทยเหมือนว่าอยู่ที่ตัวเองคิดเองเออเองหมด <ừ> มันจะเป็นกระแสะพอเราคิดเยอะๆมากกดมา ก, กมวลหนักอุศกหนักอ<ช>ื้งเลนื่ยมันก็ไอคนนั้นหนักไหมไม่หนักไอไม่รู้เรื่องกินข้าไปมับติอะไรบางอย่างใชครับเราก็จะแตัดสินไปนิดตัดสินในตัวเนี่ยความมัน ตัวเนี้ยตัวสำคัญมันนัดชอบตัดสินปุ๊บเนี่ยหารู้ไหมกับแค่ขณะหนึ่งเรามาหาศาลแล้วมันหากรรมมาเซ็ตตัวแล้วตัวเองก็ตุ้มเอ ง, เ, อง เ, เล่นเองแค่ขณะหนึ่งที่อาจารย์บอกถุยน้ํลายลงขึ้นฟ้าไม่ไม่ฟ้าไม่เพื่อนแต่ตัวเองอมันไม่มีบทเลิกเร า, าไม่มีบันเราใช่แล้วเราก็เป็นร่วมกรรมกับเขาเพราะว่าเราไปตัดสินพร้อมแล้วฉะนั้นเห็นอะไรก็ผ่านอย่างเดียวรู้ผ่านคิดผ่านเห็นผ่าน บ่อยๆปบทีนี้จิตมันก็จะไม่เอาเรื่องแหละจนจิตมันก็สลายครับที่พระพะยะเห็นแต่สัจจะว่านี่คือท่านเห็นจิตเดิมแท้ครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเลยสัจจะว่าเพิ่เริ่มตึกเริ่มต้นใช่ใช่ใชจอาดบรรลุที่ท่านบอกโสดาบันหรืออะไรก็แต่จริงๆเราไม่ต้องคิดมากเราเห็นแค่ตรงเนี้ยเราไม่ตีความหมายว่ามันคือเดิมแท้เราก็ต่อไปคนไกลเราจะรู้เหมือนว่าเห็นมากขึ้นแล้วมันก็จะการวางทายตัวเองมากขึ้น รู้ด้จิตแต่ผลพลอยได้คือใจกับไ อ, อ, อตัวทุกอย่างมันสลายออกไปเองความเป็นมนุษย์มันกระหายไปจนว่าอัลลัฮฺหรือพระผู้เจ้าแม้แต่ตัวเราพระโสดาบันมันเป็นแค่สมบุญบัญยัติหมดเลยมันไม่เอาภาพแสดงว่ า, าสิ่งนี้มันอยู่เหนือาศาสนาเหนือศาสนาหมดแล้วอะไรที่เราต้องใช้าศาสนาเป็นเหมือนเครื่องคือศาสนาหรืออิมพระเจ้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ เพื่อเป็นศาสนาเนะี่ยทั้น<ม>ความรู้ตามความเป็นจริงของมนุษย์ทุก<ม>ทุกสรรพสิ่งเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้คนสมัยที่อินเดียใครคิดอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บจะต้องออกจับเป็นเป็นศาสนาหมดนครับ<ม>ทีนี้ทุกคนมันของพุทธคือตรงนี้ทุกศาสนาก็ต้องอาศัยตรงนี้เหมือนเหมือนความนิรันดร์อัตมันหรืออะไรก็เขาคือเ<ม> ข, <ม>ขแล้วแ ต, แต่ชื่อแต่สุดท้ายมันก็คือภาวะเนี่ยครับใกล้ใกล้เคียง ก, กันมากทุกอัน ฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปตัดสินใจเพราะมันการตัดสินปุ๊บเนี่ยทุกข์กับโศกถ้าอย่างเช่นคนที่เขาไม่เคยฟังคนต่างชาติคนไรเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เข้าถึงตัวนี้เข้าถึงง่ายขึ้นมากเลยเป็นธรรมชาติเลยครับเป็นธรรมชาติที่ทุกคนสามารถสามารถนี้เข้าถึงได้แต่ไม่มีใครบอกว่าสารถเข้าถึงไจริงๆมันไม่ไม่ใช่เข้าถึงหรอกมันมีอยู่แล้วทุกคนคือมันมีอยู่แล้วเช่นยอมโกรธปุ๊บสักพักยอมมาหายเองปุ๊บ มันก็อันดิจังแหละพอคิดเป็นงานทกถังทันทีเพราะเพราะพรว่าอะไรเราไม่ปล่อยให้เป็นอทักตาันทักตาก็คือมันธรรมชาติกับมันเองทีเนี้มันก็ผิดจนไกญ่มีทำแต่ว่าไม่วางทำมาแล้อันอันอันสุดท้ายติดจะทำหลวพระพุทธเจ้าเขบอกว่าต้องวางทำนั่นสุดท้ายสิ่งที่รู้มาวางทั้งหมดแม้แต่สักสักายะคือวิกิตอิชาคือสัเอออ่า อะไรนะสิบข้อนะครับแต่วกาบรรวนมนก็ทุกอย่างอั น, นิีจ้างอ น, นาตาสวดมนตกันทุกเชา้าแต่แต่ไม่อนาตาเลยมนะันได้เงินสตารเราก็ทําให้มีตัวตอนมนต์อาอจ้างที่จะางต้องสวดเลยไหมไม่ต้องสวดเลยครับสวดกระลึกคุณก็ก็ทำได้ทุกอย่างแต่เราไม่ไดติด น, นะเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าทําทําแต่ว่ารู้มันจะรู้ด้วยลิมิตว่าอันนี้มันไม่ไม่ไม ไม่เหมาะสมเราก็ดูตามลกตามสังคมไปแต่เราเห็นปุ๊บคนไหนพูดได้หรือเขามาหาเราเนี่ยก็เราจะคุยไปแต่ถ้าถ้าบางทีฮ้ให้ให้ไปเทศคือเรายัางยังศรรษาน้อยยังอะไรเงี้ยคือยังไม่ควรเพราะว่าผ้าผ้าผู้ใหญ่หรืออะไรเ น, มนีมันจะเหมือนการการเก้วาวเท้าคนจะไม่ดีก็ลเลยเลยมีคนไหนมาก็จะคุยไปผมว่าจานี่คือมีใครชี้ให้จานเห็นสิ่งอื่นหรือจาย์เห็นด้วยตัวจาน จับการไปหาครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็จะเรียนรู้จากท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้นนแต่ว่าเริ่องหลูตัศลูเนี่ยหรือว่าฟังหลูเนี่ยมามาจากอลว่อโพสีฟังฟังเขาฟั ง, ง, ง, งปุ๊บเราเราเก็ตตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปจิตพอเราเข้าสู่ภาวะเนี่ยมันเปิดเองอย่างนี้เราก็ไม่ต้องอะไรมาแค่นัแล้วแต่ใครจะฟังใครแล้วจิตมันเปิดนะครับแล้วเราปุ๊บภาวะนั้นก็ขึ้นเลยขึ้นเลยฉะนั้น าะนั้นครูบาอาจารย์ทุกท่านถ้าถ้าสอนให้ให้สู่ภาวะเดิมแทหรือจิตตรงเนี้ยเราเราคลบได้ทุกท่านแหละ<ม>แต่ว่าถ้าแต่เขาไม่ควรไปปาหมัดไข่เพราะว่าบางทีท่านอาจจะสอนตรงนี้แต่สภ า, ภาวะท่านอาจจะภายทาง น, นาถึงบุ๊บทุกคนเราไม่ควรไป<ม>ว่าไข่หรืออะไรใรข่การสอนคนนู้นสอนผิดสอนใช้ไม่ใช่ตอนนี้ เราไม่ใช้ตัดสินเพราะทุกครั้งที่ตัดสินเราจะได้รับกรรมไปล้วเราจะมีทิฐิว่าเอาอันนี้ไม่ใช่มันมันมันมัเคยตัวมันเคยตัวแล้วมีคนหนักขึ้นมาทันทีเห็นทุกอย่างต้องผ่านไปเหมือนสายลมที่จะากย้ำในเฟะให้ผ่านไปแล้วไม่มีเราจะไม่เจ็บตัวเราจะไม่ทุกข์ทรเราจะไม่เจ็บตัวอ่าเจ็บตัวเจ็บใจเพราะใจเราคิดวอนั้แหละบางทีบางวันก็นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะคิด มันไม่ได้ไม่มีใครมาทำร้ายค ร, ยครับาออคิดเขาสาธุสาธุ